คือมันมันจริงๆมันมีจุดเรียกร้องความสนใจมันมีจุดที่ต้องการให้เด่นมีจุดอะไรพวกเนี้เป็นกิเลสซ้อนซ่อนอยู่วนพวกเนี้จะค้านแย้งอยู่ล่ำไปเนี่ยโดยเฉพาะพวกศิลปินจะมีพวกเนี้ยเยอะเ อ, เอาพวกที่ไปทำโฆษณาอา๋อไม่เหมือนใครใช่ไหมแต่มันอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเขาทำแล้วมันไม่เหมือนใครก็จริงแต่ว่าใครยอมรับหรือเปล่า ถ้าใครยอมรับนะหมายถึงชาวบ้านชาวช่องยอมรับคุณดังแน่แต่ถ้าคุณทํามาไม่เหมือนใครแล้วชาวบ้านไม่ยอมรับคุณไม่ดังอมันมีทั้งแยะแย่ไปศิลปินที่เขาทําเพราะว่าเขาต้องคิดอะไรที่มันต้องไม่เหมือนใครอยู่เรื่อยใช่ไหมไอ้พวกศิลปินพวกทําโฆษณาเนี่ยมันต้องมันต้องคิดอะไรที่มันเราดูโฆษณาทุกวันนี้ก็ได้บางทีดูบางโฆษณาโอ้โหมันบ้าบอบอเราดูแล้วก็ขำขำใช่ไหมบางโฆษณา ดูแล้วมันขำเนี่ยเออชาวบ้านเขายอมรับได้เขาก็เออเออก็ดีเหมือนกันนะดูแล้วมันก็บบบบอดีมันขำดีอ่าเขายอมรับได้นี่โฆษณาชิ้นนั้นก็ดังไปแต่บางทีคุณทำมาไม่เหมือนใครทำออกมาเสร็จเขาดูแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่เขาไม่รู้สึกยินดีไม่รู้สึกพอใจเขากับตรงข้ามเลยเขากับยิ่งรู้สึกว่าทำออกมาได้ยังไงโฆษณานเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่ดังอย่างนี้ดับ นะอันนี้อนุมาพูดในแง่มุมให้ให้ฟังเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราค้นลงไปในจิตลึกๆซึ่งบางทีเนี่ยเราเองก็จะมีเราเองก็จะเป็นในบางครัง้งบางข่าวสังเกตไหมบางครัง้งบางข่าวเนี่ยเราจะมีและเราจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันบางทีก็รู้สึกอยากจะทําอะไรแผลงไม่เ ห, เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับแต่บางคนเนี่ยคิดแล้วแต่ไม่กล้าทําเพราะมันมันยัมีฮีรีอยู่มันมีความละอายมันมีความเกรงกลัว นะมันมันรู้สึกอยู่มันมีสติอยู่ว่าขืนทำมันมันบ้านะมันทำมันนี่มันบ้านะวันพวกนี้คุมได้พวกนี้ก็จะไม่กล้าทำเกิดความคิดจริงจะไม่กล้าทำโหบางทีเนี่ยบางครั้งอะมาเกิดความคิดแผลงๆได้ยิ่งแต่ก่อนเนี่ยยิ่งไอตอนเรียนศิลปะอยู่โอ้บางทีคิดอะไรแผลงๆได้แต่ไม่กล้าทำหรอกเพราะรู้สึกว่าจะทำไปเขาหาว่าเราบ้าอย่างเงี้ไม่กล้าทำอะไรนะ ไม่กล้าทํามันก็ไม่สิมันจะไปสะสมได้ไงมันไม่กล้าทำเนี่ยมันก็ต้องล้มไปแล้วไอ้ความคิดนั้นมันก็ต้องเลิกไปมันเป็นมโนกรรมแต่ว่าพอมาเราคิดขึ้นมาแล้วแล้วเรามีหินดีเรามีความละอายเราไม่กล้าทําเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสลายมันลงไปแล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณไม่ล้างเนี่ยคุณเอามาคิดซ้ําใหม่อีกคุณมาคิดซ้ําใหม่อีกเอ๊จะต้องไปกลัวมันทําไมอ่าเอาละเอาละ เดี๋ยวเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวสวยแนะ่เหมือนกับอาตมาเคยคิดอยู่ครั้งหนึ่งอะแต่อันนี้มันมันไปในทางที่ที่ค่อนไปในทางที่อาจจะดีหน่อยอะนะแต่มันก็ผิดปกติเราแล้วละ่ะอย่างเช่นเคยคิดที่จะโกนหัวเพราะว่าเราไว้ผมมาไหลทรงแล้วเราก็อา้าวมันก็ไอไว้ผ ม, มก็รู้แล้วละ่ะ แต่มีอยู่ช่วงหนึ่ง น, นนะแหละที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังอ่ะที่พอท่านก็เคยพูดถึงยุคที่ท่านเคยที่เขียนในเรื่องมหาหินเนี่ยนะแล้วพอดีช่วงนั้นอาตมาก็รู้สึกจะเริ่มฟังธรรมเริ่มอะไรพวกนี้มีความคิดอยู่ไม่รู้มันมาจะยังไงความคิดนี้มันรู้สึกว่าเออเราลองโกนหัวดูสติมะนะันไอ้จะไปเอามีดโกมนมาโกนก็แหมไม่กล้านะ ก็เลยไปที่ร้านตัดผมเนี่ยมันก็ให้เขาาแบตเตอรี่นีย่ยมถจนตัวหลังไถหมดหัวเลยที่จริงไอ้ที่ร้านมันก็ไม่กล้าไถเนี่ที่ร้านไม่กล้าไถอาตมาต้องกลับมาเองลหลังกลับมาแล้วก็ให้คนงานที่บ้านเนี่ยเป็นแบบยัดยาจะหน่อยไถให้เพรไอ้ช่างมันไม่ยอมให้มันไถมันก็ไม่ยอมไถมันบอกโอ๊ยน่าเกลียด มันก็ตัดแบบสั้นๆแต่ว่าแบบอะไร อ, ะอ่ะเหมือนเหมือนโยมตอนเนี้ยคือสั้นๆแต่ว่ามันยังดูแล้วเป็นทรงอยู่ไงเขาทำเขาตัดตัดใจไม่ได้ไ <c oughs> แล้วเขาก็ไ ม, ไม่ไม่เห็นว่าเราจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปทําอย่างนั้น <c oughs> จะไปบอกอยังไงอ่ะก็ก็บอกไปตามจริงอ่ะว่าก็อยากจะลองดูมันเป็นยังไงเนะีเราจะรู้สึกอะไรยังไงบ้าง มันก็ไม่ยอมตัดให้จนในที่สุดก็เลยกลับมาบ้านประดีที่บ้านก็มีแบตเตอรี่นี่ก็เลยเอาเลยให้คนงานเนี่ยถ่ายถ่ายต า, ตามแบตเตอรี่มาเลยเนยมันก็เหมือนกับโกนหัวแหละฮะมันจะมาอย่างตามได้ยังถ่ายรูปไว้เลยก็คือจริงๆมันต้องการโดยลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องการอยากจะรู้ว่าเออถ้าเราโกนหัวแล้วเนี่ย มันคนโน้นก็ทักคนนี้ก็ทักหรือว่าอะไรต่างๆนี่นะจิตใจเรามันจะหวั่นไหวหรือมันจะรู้สึกยังไงบ้างคือเราต้องการรู้อันเนี่ยหรือเราอายไหมเรากลัวไหมอะไรอย่างต่างๆโอ้ไม่ได้โกนไม่ได้คิดจะโกนคิวไม่ได้คิดจะบวชอะไรนี่คิดแต่เพราะอยากจะลองนี่เโกนหัวมันจะเป็นยังไงปดีเนธเลยนะพอโกนไปรู้สึกไม่กี่วันนะ่ปะปฏิเสเลยพอท่านก็ไป ที่ย่งภาพพอดีอ่ะเห็นไม่ดีเหมือนกันนะอาตมาก็เอ๊ยนึกอยู่เอเดี๋ยวพ่อท่านจะนึกว่าเราอะไรหรือเปล่าแต่พ่อท่านอาจจะจําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอาตมามากกว่าใช่ไหมท่านเองท่านก็ไปทํางานไปทําธุระอะไรของท่านนะท่านก็คงไม่ได้จําอะไรไวห้หรอกแต่อาตมาเนี่ยจำได้ยังนึกยึกอยู่ตายแล้ววา่าเพราะเห็นพ่อท่าน ตายแล้ววะเอ๊เดี๋ยว่า น, นึกยังไงวะเ่าเราไปทำนี่เออแต่ก็นึกขำๆอยู่จำได้ว่ายังให้หลานถ่ายรูปเอาไว้แต่ตอนนั้นผมมันใช้แกยางนิดๆแหละแต่ว่าดูยังรู้ว่าหัวเนี่ยแบบโกนไปลเลยอ่านั่นแหละบางทีมันนึกอะไรปแปลกมันอยากจะทำอะไรปแปลกคนเรามันจะมีพวกเนี้ยอยู่ในจิตอยู่เรื่อยและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของการที่จิตเนี่ยมันมัน ต้านมันค้านมันอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆใ น, นจิตคนเราเพราะอันนี้เราจะต้องระวังอย่าให้มันเป็นลักษณนะนี้เพราะบางทีเนี่ยอะไรที่ดีเนี่ยดูนะ<ม>อะไรที่ดีไม่ควรต้านไม่ควรค้านอะไรที่ไม่ดีต่างหากที่เราควรจะต้านหรือเราควรจะค้าน<ม>เราจะต้องพยายามให้จิตเราเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะ<ม>ส่วนไอ้เรื่องไหนเนี่ยที่มันดีเนี่ยนะอย่าไปมีมานะ น่าอย่าเลือกศิลปินเข้มขน้นจนเกินไปเรียนแบบไม่ได้เรียนแบบแล้วมันเสียเสียเกรดเสียเกียรติละหมดจะไม่ยอมทําเด็ดขาดต่อให้เราทําแบบใหม่แล้วเนี่ยทาไม่ดอีอย่างงั้นนะทำไม่ดีเท่าอย่างนั้นนะคือถ้าเราเรียนแบบเราทําได้ดีแต่เราต้องมาคิดเองเราต้องมาทําเองเนี่ยแล้วทําได้ไม่ดีเท่าเท่าที่เราจะไปเรียนแบบยังไม่ยอมไปเรียนแบบเลยเพราะถือว่าเสีย เกียรติยศเราเสียศักดิ์ศรีไม่ยอมทำเอพราะอันนี้อันนี้มันมันปลูกฝังมาจากพวกอย่างที่บอกพวกเรียนศิลปา พ, พวกอะไรเงี้ยถือไหมถือมากในเรื่องนี้โอ้ถ้าไปเรียนแบบถ้าไปอะไรไปเนี่ยโอ้เสียเสียชื่อเสียงมากมันจะทําอะไรเนี่ยขอให้คุณทำออกมาเถอะให้มันแปลกจากคน อ, อื่นเขาบ้าบ้าบาบองไงไม่เป็นไรบ้าบ้าบ้าองยังไงไม่เป็นไรฟังให้ดีแต่ขอให้ไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครแหมภูมิใจนะ มาทำมาแล้วแม่ภูมิใจแม่คนอื่นดูไม่รู้เรื่องหรือว่าคนอื่นสวยหรือไม่สวยยังไงก็แล้วแต่แต่เราภูมิใจแม่เนี่เราคิดเองเราทําเองไม่เหมือนใครไม่ไม่ซ้ําแบบใครเลยนั่นแหละมันบ้าอย่างเงี้ย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นระวังกิเลสเพวกนี้ให้ให้ดีอย่าให้มันมาครอบงําเรานะตอนนี้พวกปฏิเสธจิงมักจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยยอมรับผิดอะไรง่ายๆ เนื่องจา ก, กจิตดื้อรันก็ยังถือดีอวดดีอยู่ยังมีความใหญ่อยู่ในหัวใจทั้งทั้งที่ความใหญ่ความโตได้ฆ่าคนมามากต่อมากเมื่อใหญ่เสร็จแล้วเรื่องอะไรจะผิดกันง่ายๆมีอะไรก็ต้องปัดไปให้พ้นตัวก่อนเป็นใช้ได้ตัวเองถึงอย่างไรก็ผิดไม่ได้จนที่สุดถูกผิดไม่รู้จะต้องเอาชนะให้ได้ จิตมันอวดดีขนาดนี้เชียวแหละแม้แต่ฟังธรรมะพอชักจะไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็พานจะปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาและเผลอๆก็เกลียดชังคนแสดงเสียอีกความหลงในสารสอ๋อเดี๋ยวเดวเอออันนี้ขยายนิดนึงนะตรงเนี้ยเราจะเห็นได้เลยเราจะต้องระวังจิตพานเนี่ยเห็นไหมจิตพานจิตบ้าบ้า บ, บ, บ, บ, บพวกเนี้ยที่ เมือ่อกี้อาจมาลเล่าให้ฟังเพ้อไม่ได้นะเพ้อมันทันทีเลยเพ้อมันเล่นงานเราทันทีเลยเพราะแม้แต่นี่แม้แต่เรามาฟังธรรมด้วยซ้าไปคราวนี้ให้ดูนะฟังธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแม้ฟังแล้วไม่จะถูกใจชอบใจเราเสมอไปไม่จริงหรอกบางทีฟังไปฟังมาเบื่อก็ได้เอียนก็ได้ผลักก็ได้ใช่ไหมล่ะหรือในตั้งแต่พวกคุณฟังธรรมมาไม่เคยมีจิตผลักบ้างเลยหรืไง <c oughs> แอนนิคว่าจะมีใครไม่มีจิตผลักเลยธรรมาจะได้แอนยกนิ้วให้เพราะขนาดธรรมายังแหมบางทีอย่างที่ยกตัวอย่างเขาทิ้แล้วขนาดแล้วว่าแม้เราก็ศรัทธาพ่อท่านนะแต่บางทียังนึกเถียงอยู่ในใจเลยบางทีบางเรื่องบางอย่างฮะคิดดูไม่ใช่ว่าเราไม่ศรัทธาไม่ใช่ว่าเราไม่ยกให้เรายกให้นะแต่จิตมันมันอดไม่ได้อ่ะ บางทีเพ้อเนี่ยมันขาดสติมั่งอะไรมันเอาละมันก็คิดไปตามไปตามจิตของเราเองไใช่ไหมไปตามภูมิของเราเองเราก็ถ้าใครเป็นมากก็จะคานแย้งน่ะใครเป็นน้อยอแค่คานแย้งพอสมควรอะไรอย่างเงี้ย น, น, นะคุณจับได้ทันหรือเปล่าเท่านั้นเองเข้าใจไหมมันจับได้ทันหรือเปล่าคือมันมีอย่างนี้ บางครั้งเนี่ยมันค้านแย่มแป๊บๆล้วมันก็ผ่านแล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราเนี่ยไอ้เรื่องใหญ่เราเรื่องหลักเนี่ยเราไม่ค่อยค้านแย่งอยู่แล้วส่วนใหญ่พวกเราจะค้านแยง้งสมมติยิ่งถ้าจะค้านแย่งกับพ่อท่านเนี่ยมักจะค้านแย่งเรื่องปีกย่อยเข้าใจไหมเพราะเรื่องหลักเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะยกให้อยู่แล้วอ่เอพราะภูมิเรามันมันไม่เท่าอยู่แล้วอะแ ต, ตแต่ว่าไอ้เรื่องปีกย่อยเนี่ยรับรองเลยมาเชื่อว่าต้องมีแต่วันนี้ พอคุณค้านแย้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณก็ตัดรอบว่าเออก็ยกให้พ่อท่านคุณมีตัวนี้มาตัดรอบต่างหากแหละคุณเลยไม่คิดค้านแย้งต่อแต่ถ้าใครเนี่ยมันไม่มีตัวศรัทธานี่คือตัวศรัทธานี่แหละตัวเชื่อมั่นถ้าคุณมีตัวเชื่อมั่นนี้ขึ้นมาปั๊บนะพอสมมุติว่าจริงอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยกับพ่อท่านนะแต่เรามีตัวศรัทธานี่ตัวศรัทธาเนี่ยมันมาตัดไอจิตของเรา ที่เราเนี่ยจะคิดต่อจะค้านแย้งต่อไปอะไรเนี่ยมันตัดตัวนี้ลงมันจะเอา้าพราท่านต้องฉลาดอยู่แล้วหนะ <c oughs> น้านะต้องมีปัญญามากกันแล้วนะ้าเราก็จะตัดทิ้งไปแล้วมันไม่คิดต่อแล้วไงเพราะฉะนั้นคนนั้นก็จบลงตรงนั้นเองเพราะฉะั้นเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วเพล่เพลก็ไม่ค้านแย่งแล้วเพราะว่าตัดรอบให้ไปแล้วแต่ถ้าใครเนี่ยไม่มีกําลังของศรัทธามากพอคนนั้นเขาคิดต่อไปเรื่อยคิดยาวไปเรื่อย โหหาเหตุผลมาอีกเยอะแยะเลยที่จะมาค้านแย้งกับ <_ d unk> กับเหตุผลที่พ่อท่านบอกมาเ <_ d unk> นี่ยมันจะยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยคุณไปสังเกตสิถ้าเรื่องไหนเนี่ยเราเนี่ยคิดยาวไปเรื่อยมีเหตุผลต่อไปเรื่อยกับคนไหนก็ได้นะคราวนี้ไม่ต้องเอาพ่อท่านนะคนไหนก็ได้ที่เรามีความคิดเห็นขัดแยง้งแล้วคุณปล่อยให้มันยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยยายากละคราวนี้คุณหยุดยาก <_ d unk> คุณจะรู้เลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะตรงเข้าประเด็นที่เขาบอก คราวนี้ตอนแรกนี่ค้าแย่งกันแค่เหตุผลแค่เรื่องนั้นแต่ถ้าคุณคิดยาว <S <S เหตุผลยาวไปเรื่อยคราวนี้จะเกลียดคนนั้นไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เหตุผลไม่ใช่แค่ทิฏฐิไม่ใช่แค่ ค, าความคิดแล้วแต่จะเกลียดตัวคนนั้นไปด้วย <S <S คุณยิ่งคิดยาวเท่าไหร่ยาวไปเท่าไหร่นะหมายถึงเหตุผลที่เราจะมาเข้าเข้าข้างตามเหตุผลที่เราคิดว่ า, วาวถูกต้องของเราคุณจะเกลียดหนักขึ้นเรื่อยๆคนนั้นเน่ะเกลียดหนักขึ้นเรื่อยๆ หนักเข้าเรื่อยๆหน้าก็ไม่อยากเห็นเสียงก็ไม่อยากจะยิน <c oughs> มันจะเป็นอย่า ง, งานั้นต่อให้สมณะก็สมะะ <c oughs> นะเถอะนะบางรูปอ่ะถ้าสมมติว่าคุณคุณคิดยาวต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยนะอ้ะจริงๆบางทีเห็นด้านเดิมาัณฑ์กายหลบไปแล้วเยอะไปทิศอื่นไปบุมอื่นีก่ไม่ยอมละบุมมาบุ่มนี้หน้าก็ไม่อยากจะเห็น เ, เสียงก็ไม่อยากจะได้ยินด้วยนะเพราะอันนี้ให้ใ ห, ให้เรา รู้จิตเราให้ได้แล้วจับจิตเราให้ทันเราจะได้พอรู้ปั๊บต้องหาวิธีตัดตัดรอบจิตแล้วอย่าปล่อยให้มันสืบต่อไปถ้าปล่อยให้สืบต่อไปเดี๋ยวคุณเสร็จรับรองเลยจากตอนแรกนะแค่ปฏิฆะแค่ไม่ชอบใจถ้าคุณปล่อยให้ยาวไปเดี๋ยวไม่ใช่แค่ปฏิฆะแล้วมันจะเผลอๆเป็นโทสะเป็นโกรธแล้วนะหรือเผลอๆทานหนักขึ้นไปอีก พยาบาทแล้วอ า, อาจจะไปไปโน่นเลยจองเวรอะไรกันไปเลยเพฮอนจะต้องระวงังต้องรีบรีบจับต้องรีบรู้จิตเราให้ได้ว่าโอ้ย่าปล่อยให้มันยาวนะจําได้ไหมในทีขาวุกุมารพ่อของทีขาวุกุมารสอนสอ น, สอนทีขาวุกุมารบ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นอะไรคืออย่าเห็นแก่ยาวอะไรคืออย่าเห็นแก่สั้น อยาเห็นแก่ยาวอา้าวใครจําได้บ้างฮะอะไรอะ่ะยาเห็นแก่ยาวความโกรธเนี่ยความโกรธความเกลียดอะไรพวกเนี้ยนะอย่าให้มันยาวออกไปมันไม่ทําให้มันสั้นเท่าไหร่ทาให้มันหมดเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น <Okay. S 1> เหมือนกับที่ตะกี้เนี่ยที่อาลามาบอกไว้อะ <Okay. S 1> เราไม่ชอบใจเราไม่พอใจอะไร เรื่องไหนหรือว่ากับบุคคลไหนเนี่ยอย่าไปเห็นแก่ยาวนะอย่าอย่าไปทำให้มันยาวไปเรื่อยๆนะต้องรีบเจียนต้องรีบตัดให้มันสั้นเ ร, เร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนี่แหละคืออย่าเห็นแก่ยาวส่วนอย่าเห็นแก่สั้นนี่หมายความว่าอะไรอัตมาว่าอัตมาความจำแย่แล้วนะ <c oughs> แม่พวกเราี่ยิ่งแย่กว่าตมาอีกนี่ อย่าเห็นแก่สั้นก็คือนั่นแหละนะความมีไมตรีนะความเป็นมิตรกันเนี่ยอย่าไปทําให้มันสั้นเร็วนะควรจะทําให้มันยืดควรจะทําให้มันยาวเพราะฉะนั้นความมีไมตรีโดยเฉพาะอะไรไมตรีกับกุศลไมตรีกับจิตที่ที่ดีของเราเข้าใจไหมถ้าเรามีตัวเมตตาหรือเรามีตัวอภัยหรือเรามีธรรมะข้อไหนอะไรที่ดีเนี่ยต้องทาให้มันยาวๆอย่าทําให้มันสั้น นี่ไม่ต้องไปพูดถึงบุคคลอื่นเลยนะนี่พูดเฉพาะตัวเราคนเดียวก็ได้นะยาเห็นแก่สั้นอ ะ, อะไรที่ดีนี่ยิ่งต้องทําให้มันยืดต้องทําให้มันยาวเพราะฉะนั้นเราศรัทธาใครนะหรือว่าเราเป็นเพื่อนกับใครเพื่อนจริงๆน่ะหมายถึงว่าเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ถูกต้องเนี่ยอย่าทําให้สั้นยิ่งต้องทําให้ยาวยิ่งต้องคบกันให้มากให้นาน นั่นแหละจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนี่แหละ ค, คือคือความหมายของอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นนะเอาส่วนในที่นี้ต่อนะความหลงในสารเสริญกลัวการนินทาจึงยังคงเป็นตัวบงการพฤติกรรมเชิงนี้ตลอดเวลาโดยแม้เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวเพราะอำนาจของสารเสริญ จิตใจจึงต้องการที่จะได้รับคำชมคำยกย่องจึงทนไม่ได้ที่จะได้รับความผิดความเป็นคนไม่ถูกหรือถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ผิดมันช่างปวดร้าวใจปวดร้าวในหัวใจสิ้นดี <S <S <S คืออันนี้ปวยง่ายว่าทนไม่ได้กับกับอะไรการโดนตาหนิแล้วก็ทนไม่ได้กับการที่จะไม่ได้รับการสรรเสริญ เพรเมื่อทนไม่ได้อย่างนี้คนนี้ก็คานแยงอยู่ล่ําไปเข้าใจไหมเมื่อมันทนไม่ได้เนี่ยเพราะอํานาจของนินทามันจึงทนไม่ได้ที่จะให้ใครมากล่าวว่าเราในทางร้ายในทางที่ไม่ดีในสิ่งที่เรายึดถือมั่นอยู่ภาพพจน์ที่ดีของตัวจะต้องดํารงไว้ชั่วกระนาน ตัวเองจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นพวกนี้เมื่อเมื่อมันมีตัวยึดยึดที่เป็นอัตราของตัวเองไว้เนี่ยถ้าใครเนี่ยจะมาพูดทำลายเนี่ยคนนั้นก็จะต้องค้านแยงหาเหตุผลอะไรมาค้านแยงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องเสื่อมเสื่อมลาบก็ตามเสื่อมยศก็ตามเสื่อมสรรเสริญก็ตามจะต้องพยายามรักษา อะไรอ่ะยิเลที่ตัวเองเนี่ยติดยึดอยู่อำนาจแห่งความหลงความหวั่นไหวในโลกธรรมจึงทำให้มนุษย์ทุกคนดิ้นรนกระทาทุกอย่างเพื่อให้ภาพพจน์ของตัวเองดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อแรงจัดที่สุดแม้จะปิดอย่างไรก็ไม่ยอมจนที่สุดอย่าว่าแต่จะมีสติรู้เท่าทันมันเลยจิตตัวนี้ แม้ในตัวเองก็ยังบังคับมันไม่ได้เลยมันยังคงลากเราลงเหวตามเคยนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อเนี่ยไม่ทำทั้งห้าไม่ทำทั้งร้อยนะคือว่าปฏิเสธอย่างหนักหน่วงอย่างรุนแรงเป็นเรื่องของอะไรอ่ะในเชิงปฏิเสธอ่ะบันทึกคงฝากไว้่านี้นะ Thank mm -hmm. you.